มีความหวังตลอดเวลาใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยหวังว่าพุณเจ้าองค์ต่อไปจะแสดงต่อฉนั้นที่เขต่างความคิดอย่างนี้มีเยอะเอานี่นะต่อสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นศัตว์ที่มีทุลีคือกิเลสในดวงตานิดหน่อยนัสัตว์ตัวนี้ตั้งอัธยาสัยมาว่าต้องการจะฟังลองรับพระธรรมเทศนาจริงๆเลยนะไม่ว่าจะท่านพระโกนัญญานรอจ่อเชีวแล้วก็ท่านตั้งบาดถนามมาเราไปดูประวัติท่านดิ โอนัญญาวัปปาพัทยามหานามาโซชียพร้อมอีสุแปดโกดทั้งหลายเหล่านี้ท่านตั้งอัจฉริยมาเนี่ยนียรอการแสดงธรรมของพระเจ้าอย่มากมายนะนี่บุคคลเหล่านี้จะเสียประโยชน์หมดเลยนะถ้าพระเจ้าไม่แสดงธรรมหรือคนก่ายน้อยนะชักประวัติว่าเราใช่ไหมตรงนี้เราพิจารณาด้วยญาสาวคนละบทเนี่ยน ะ, ะเพื่อนของยาสาววิมาราสุภาหูพุลนาชีเขาวัมปฏี แล้วเพื่อดีค่าสิบเนี่ยอย่างเงี้ยรวมเบ็เสร็จเหล่านี้ท่านเหล่านี้ภาษาแรกจะได้ตัดสู้พร้อมด้วยเทวดามารพร้อมอีกนับไม่ได้เนี่ยท่านเหล่านี้ต่างตั้งอัธยาศัยมาในพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนทั้งนั้นแหละต้องการที่จะฟังพระธรรมใช่ไหมแล้วอยู่ต่อมาเฉลินสามพี่น้องบริวารอีกหนึ่งพันพระเจ้าพิมพีสารพร้อมได้บริวารอีกสิบเอ็ดและหุดสิบสองหน้าหุดนั่นแหละบรรลุสิบเอ็ดนั่นแหละ และอีกเยอะแยะแล้วต่อมาอีกเวลาแสดงรัตนสูตรนี่ที่เราไม่รู้เท่าไหร่8 4ดหมื่นสี่พันแดหมื่นสี่พันเนี่ยแต่ไม่มีเราเนี่ยนั่นแหละสาสตร์เหลานั้นน่ะไปโยที่ไหนก็เฮ้ยเขาไปรู้กันลืมๆืมืมือันไม่รู้หลหลีบหลบกันที่ไหนเก่งจริงจรลอดตะขายพุทธานมาได้ อัศจรรย์มากใช่ไหมไม่ยอมมารูกกับเขาอัศจรรย์เนี่นซ่อนอยู่ในพบเก่งมากเราซ่อนอยู่พบเก่งจริงถามว่าผู้ได้เจ้า น, ะน้อมจิตไปเพื่อทำอะไรเทวดาและพรหมก็หวั่นไหวนะดำริ เขาต้องบอกว่าพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อมจิตไปเนี่ยเทวดาต่างๆหรือพรหมต่างๆก็วันไหวเขาต้องบอกว่าความดําริเนี่ยลองคิดดูนะว่าทีตัวตังคือเล็กแต่แต่อาาจักมาคิดอีกมุมหนึ่งเวลาอาณาจมาดูก็ไทยวิตก เช่นว่าพอพระพุทธเจ้านี่เนี่ยดำรีด ำ, ร, ดำรีพอน้อมน้อมจิตเนี่ยจะไม่แสดงธรรมเลยเทวดามพรมทั้งหลายเนี่ยหูวันไหวหมดเลยเอางี้นะตอน ท, อนที่ตอนที่พระองค์ไปชักผ้าบางสุขุลที่เต็มไปได้วยหนอนตักหนอนออกสิบหกธนาม สลัดหนอนออกทงดำาหลีว่านะจักซักที่ไหนดูที่หวั่นไหวอะพรมเนี่ยพูดต้องมาขุดสาให้นะไอจะ้จะจะจะตากไอ้จะจะทุบที่ไหนต้องแผ่นซีลาต้องต้องเปิดให้จะตากที่ไหนกิ่งยางใหญ่อะยังต้องโน้มมาให้ไม่มีใจนะนั่นแหละความดำาหลียของคนมีบุญเนี่ย ฉะนั้นดำริอย่างนี้แล้วทําไมพรหมไม่หวั่นไหวล่ะเพราใหญอย่างแตเนี้ยไมามองอ้อเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยคนมีบุญดำริก็ดูโครงการพระราชดำริขนาดบุญแค่เนี้ยอันนี้ดำริระดับคนตัดสู้แล้วนะฉะนั้นเน่ะสิ่งของที่ไม่มีใจก็หลีกก็หลบก็น้องโค้งเหมือนมีกายอ่ะเข้าไปเจ้าโค้งรับภาพบางสกุลของพระองค์ขอพระองค์ตากตรงนี้เถอ พ ร, พระองค์ฆาบองจะดูแลเป็นบุญกับพระองค์แล้วอ่ะนั่นนั่นน่ะั่นแหละนี่คนไม่เข้าใจตรงนี้เรานี่ไงฉะนั้นการดํำรีแล้วทําไมพรมหวั่นไหวเลยนี่หวั่นไหวอย่างงี้ฉั้นการดํำรีอะไรนี่คนนี่หวั่นไหวสะเตือนสะต้านก็มีเด็กพวกเรานี่พระองค์ดํารีมาตั้งนานยังไม่รู้พระดํารีของพระองค์เลยพระองค์หวังอะไรในตัวเราวะใช่ไหมเออพระองค์หวังอะไรเนี่ย หวังให้สาวกทั้งหลายของพระ อ, องค์เพื่อตัดสิรุตามเนี่ยทำไมคิดไม่ออกใช่ไหมมองพระพักของพระเจ้ามาตั้งนานแล้วคิดไม่ออกสักทีพระ อ, องค์หวังอะไรในตัวเราพระ อ, องค์ไม่ได้หวังอีกลาภทรัตสมบัติอะไรหรอกให้ศรัทธาตถาคตเธอพูดเหมือนจะบอกว่าศรัทธาเรานี่ดีเนี่ยคือศรัทธาเราแล้วเธอจะได้ตัดสิรุตานนี่แหละ ศรัทธาและไดเป็นปัจจัยก่วิริยะวิริยะได้เป็นปัจจัยกัยยยกสติสติเป็นปัจจัยกัสมาธิสมาธิได้เป็นปัจจัยกับปัญญาและในสุดอินทรีย์ห้างเธอแก่กล้าประชุมในโลกุตระได้เธอจะได้ตัดสรนุตามเรานี่พระดำริของพระเจ้ามองหน้าพระเจ้าให้ออกเมื่อโหงค์นัหวังอะไรในตัวเราหวังให้สาวกทั้งหลายนยนั่นอะไรงั้นก็ม อ, องขาดตำํำริในสิ่งที่ไม่มีใจสิ่งที่ไม่มีใจยังโค้งยังน้มยังโอนยังเอ็นได้ แล้วเรามีใจทำไมเราไม่สะเทือนสงท้านกันบ้างน้ำมันนึกใีใจตลอดเวลานะเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมสมัยก่อนน่ะนี่เข้าใจแล้วไม่เอไม่เอ๊ะอะแต่เนี้ยก็สิ่งของที่ไม่มีใจเขายังหลีกยังหลบเนือใช่ไหมี่พวกเราก็มีมีนามาทำ เออรูปธรรมรูปธรรมไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าน้มธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่หวั่นไหวง่ายจะตายแต่แปลไม่ยอมหวั่นไหวตามพระดาริของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมบอกว่าพระองค์ดาริยังไงพูดอย่างไงไม่ใช่ดำริอย่างเดียวเลยพูดตรงมาชี้ตรงๆด้วยซั้งใบไม่เทีย่ยงเปทุกข์เป็นนะ้าตามไม่งามเราก็มานั่งมองหน้ากัอยู่อย่างงนะี้ โอเนี่เป็นเรื่องแปลกมากสามบดีพร้อมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะมีพร้อมหมื่นหนึ่งเป็นบริวารสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าอประ ช, ชัคาจิกะเอชช า, ชาติกาบอกเพราะมีธุรีคือราคาตัวสามโมหะใน้ลงตาสำเร็จได้ปัญญาคือนิดหน่อยไม่ได้สดับ พระธรรมของพระพุทธมีพระเจ้าฉะนั้นผู้มีบุญในการบุเป็นบารมีสิบมาก็มีหรือทําบุญกิริยาวัตถุมาในพระเจ้าองค์ก่อนก็มีหวังแต่การแสดงธรรมเท่านั้นดุกเหมือนดอกปทุมอ่ะหวังแต่ได้สัมผัส ร, รัศมีของพระอาทิตย์เท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วนี่กลุ่มนี้เยอะไม่ใช่น้อยเลยคนที่เขาสร้างบารมีมาพวกเขารู้โบธิสัตว์มาถือประเฏิที่เนี่ยเขาเตรียมกั้นใจตายกันในสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์รอ ก, อกันเยอะแยะหมดเนี่ยนะ คนมีบุญเขากั้นใจตายได้เป็นเทวดาเนี่ยเขากำหนดจะยุเขาได้เยอะแยะหมดเลยนี่กลุ่มมีบุญดีๆเนี่ยนะถ้าบุญไม่ดีก็แล้วแต่กรรมจะซัดมาเนี่ยอย่างเรานี่จะไปไปพอพระเจ้าจะมาเกิดพอพระเจ้ามาเกิดพบเราไปตายไปอีกพบหนึ่งท่งนี้แหมไปอีกคนเลยน่าจะอดทนหน่อยหายใจรอรอรอหน่อยทําตัวเป็นอุตาการดาบทอะไรแล้วดาบด์กันอยู่นี่แหละ รีตายหนีไปซะเนี่ยเรียบร้อยไปเลยพอพระเจ้ามาถือปฏิสนธิเราก็ตายไปสักพักหนึ่งพอพระเจ้าไปซะทั้งสองท่านก็ปีแล้วแมร์กาลีได้เหลือก็มาเกิดจะทันอะไรตัวเนี้ยนะโอ้ตอนนี้ยุ่งอะไรตัวเนี้ยมาก็รักเอาละทีดผิดอีกเยอะแยะหมดอัดเธอข้อมูลโอ้โหเตะหมดเจรอมาทำของพระเจ้างั้นงั้นเลยมีอะไรราว่างงานยุ่งหลัวัตถุการมเนี่ยสาไม่จบ ไม่มีทางจบในสังสารวัตที่ผ่านมาไม่มีใครจัดแจงว่าถูกกรรมเสร็จตายกันก่อนตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตอีกก็ไม่จบที่เราเยังทําอยู่เราเกลียงใจตัณหาท่านนั่นเลยตรงตรงที่ยิ่งๆเราไม่ได้เกลียงใจสาัานเกลียงใจตัณหากลัวตัณหาจะว่าจริงไหมเป็นเงี้ยไหมกลัวตัณหาว่า กลัวพ่อจะว่ากลัวแม่จะว่ากลัวพี่จะว่ากลัวน้องจะว่ากลัวลูกจะว่าทุกคนนั้นเป็นผลของปัญหาถ้างั้นจะไงก็ปัญหาเขาบงการมาเราพูดที่เวลาพูดอย่างนี้เสร็จนนมาก็ไปคุยกับคนอธิบายไมาคุณให้ฟังว่าทำคุณคนรไหวศึกษาพระธรรมสิโอท่านงานมันยุ่งมันจะเป็นเนี่ยก็พยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกเข้าใจที่ท่านฟังฟังเรื่อยแหละที่ท่านบัญญา มาไม่ได้คือหวังอย่างนั้นเลยหวังให้คนเขา <c ười> ้ ang, า, ขเขาใจคุณจะฟังได้ก็ได้ขอให้คุณเข้าใจพัตประสงค์เถอะแต่ให้เข้าใจจริงๆนะปธิบายโอ้ผหไม่ง่ายจริงๆไม่ใจอธิบายไปที่บาย <c ười> มาจามาน <c ười> <c ười> เราจะหมดศรัทธาเราก็พอจะเห็นดีไปตามเขาโอไม่ก็ไม่ได้เรื่องเลยเนะนี่ยเข้าใจยังตอนนี้ยพอธิบายไปที่บายไ ป, ไ ป, ไปเออจริงๆรวางแล้วเหมอนกันนะ เรามานั่งเล่นอยู่คนเดียวทำไมไป่าใหญ่เลยนี่เนียคิดป่าใหญ่เลยเนี่ยมาครบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้นจริงๆน่ากลัวแท้เออพอเราไปนั่นมากๆมันเสียหายจริงเนี่ยเราจะเดินไป็กใครควรบอกกล่าวอะไรก็ใช่นี่ต้องพิจนารณาแล้วพิจารณาไปครั้งนี้ศรัทธาในพระเจ้าของเราจะลดลงไหเนี่ยดูมองหน้ามองตาดีๆด้วยเนี่ยเอือที่มันลดลงเฉยเลยน ะ, ข, นะข้าวนะข้าววมานั่งทุกข์ใจตั้งนั้น ก็จะฟื้นคืนส่งได้อยูโหแับแยกเลยะกิเลสไปบานเลยตอนนี้เนี่เป็นยังงี้ยนั้นเป็นคือตาบอกว่าหวังที่จะได้สัมผัสรัศมีของพระอาทิตย์ยังลงสู่อริยะภูมิได้ในสุดในที่สุดอย่งสี่บาดคาถายังเยอะเลยกลุ่มเนี้ยเยอะมากก็ฟังไม่เยอะหรอกปรมาณนั้นกลุ่มฟังแค่สี่บาทคาถาน่ยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนนะจะเป็นผู้รู้ทัวถึงจํานวนหลายแสนหลายกล คำว่าปรากฏนี่ยมาจะคำว่าปาตัรโหูสิเนี่ยปรากฏแล้วผูวม้มีม น, นต์ทินทั้งหลายที่คิดแล้วนี่ใครอะไรเนี่ยสมเรศหิจิติโตเนี่ยครูทั้งหกนั่นแหละในนี้มันก็ไม่ได้กล่าวไว้ต้นนี่นแหละก็พวกปกักขุทากัจจะยนาเป็นต้นเหล่านั้นน่สัญชัยเวรัพบุตรแล้วมากหมดลัทธิของครูเหล่าเนี้เกลื่อนกลนเต็มไปหมดเลยเนีย่ถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหายเมื่ อ, อไหร่นี่นะ ครอบงำดังนี้เหมือนจอกแหนแท้หยุด้อนหินมาอลายก็มาติดฟึดเมื่อถามบอกว่าใครคือผลิตผลของครูทั้งหกนี่นั่งกันอยู่นี่นเรารับที่รับที่ของครูทั้งหกมายืนยันไหเนี่ยเรานีเคยกล่าวช่วงจากจา ก, จา ก, กช่วงคำสอนพระเจ้ามายืนยันไหมเนี่ยห น, น้าอนาแท้ในสัมภาแล้วว่าที่ผ่านมาี ถ้าอย่างนั้นมันรู้ไปแล้วเรานี่แหละเป็นผลิตผลของคําสอนของผิดผิดถูกปกฝังอธัธยาสัยแบบผิ ด, ผ, ดผิดมาอย่างยาวนั้นนั้นถ้าไปรีบเล่งเนื้อก็เราก็กลับไปเป็นสาวโง่ของเขาที่เราว่าเขาไม่ดีไม่ดีเดี๋ยน่ะเขาเน่ยเข้าค่าแต่ท่านอาจารย์เลยแหละเขามาเยาะประพฤติผิดท่านอาจารย์ไปแล้ววกันไปนับถือพระธรรมของพระนั่นสามนักคนดม อ, อยู่ภาคใหญ่ รู้สึกไม่สนุกสนานเหมือนของท่านอาจารย์เลยนเนี่ยจะเป็นยังไงคุณห่าน่ากลัวแท้แล้วถือแล้วที่ผิดผิๆกันมาอย่างยาวนานเวลากลัทั้งหกก็ดูเรมยนมาเต็มลืมๆเต็มหมดแล้วบางทีเนี่ยสมัยก่อนเคยไหมว่าคำสอนทุกศาสนาเหมือนกันหมดไม่เห็นต่างกันเลยนั่นแหละนั่นแหละคือบง่งบอกแล้วเนี่ย มองเห็นจุดได้จุดเสียจุดต่างไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ต่างอย่สิ้นเชิงใช่ไหมเจ้ต่างอยู่สิ้นเชิงฉะนั้นในบรรดาลัทธิทั้งหกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิมีมนทินเหมือนอะไรเหมือนการกระจายหนามหรือเหมือนราดยาพิษไปทั่วโลกแล้วในชมพูทวีปก็ราดได้หมดอุตรกุลุทวีปก็ราดได้หมดปุพราวิเทหทวีป อปราโคยานนะครับวีบน้อยใหญ่ตลอดถึงในสามสิบเอ็ดพเว้นสุดทาวา่าเนอกนั้นเขาลาดด้วยเยอะบรรดาคูทั้งหกทั้งหลายเนี่ยลาดมิจฉาทิถีไว้ลาดยาพิษอันนี้ฝังแน่นไว้ฉะนั้นในตัวของกระแส ศ, ศาสตร์ทั้งหลายเต็ไมไปด้วยพิษคือมิจฉาทิถีทั้งหลายและยังขับจัดพิษเหล่านั้นออกไม่ได้เลย นี่คือผลิตผลของครูทั้งหกเจนมันยังมีพิษอยู่ในกระแสะขันของสัตว์เนี่ยมันยังไม่ได้ขจัดพิษออกเลยพิษคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมิจฉาสังกรปรมิจฉาวาจามิจฉากามันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิพิษคือกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาหิริกานโนจปะอุทตจาร พิษคือทุจริทกรรมทั้งหลายกายะทุติยริทวจีทุจริทและก็มโนทุจริททั้งหลายนั่นคือพิษที่มันอยู่ในกระแสขันแลสัตว์ทั้งหลายก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกมาก็เป็นกายะทุจริทวจีทุจริทและมโนทุจริทเป็นต้นวงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นถูกลาดด้วยพิษในกระแสของขันธาตุยกระยะยาวนานแล้วพิษเหล่านั้นน่นยังไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยอริยมรร นี่ไงผลิตผลทั้งครูทั้งหกที่มันยังออกไม่ได้มันขับออกยังไม่ได้ใช่หมถามว่าเราเนี่ยทุกหน่วยความคิดเนะ่ะที่เป็นสัมมาทิฏฐิกมิจฉาทิฏฐิอะไรมีปริมาณมากเลยนั่นแหละไปดูตรงนั้นสัมมาสังกประ ก, กับกสัมมิจฉาสังกประสัมมาวาจากองมิจฉาวาจา สัมมากรรมันตากรรมมิฉากรรมมิตาสัมมาชีวะกับมบมิฉาาชีวะสัมเอาวายมะกรรมมิฉาวายมะสัมมาสติกับมมิฉาสติสัมมาสมาธิกกรรมมิฉาสมาธิต้องไปดูถ้าหากว่ามันมีมิฉามากทั้งแปกมันจะตามเลยมิฉาวิมุตถ้ามีสัมมาทั้งแปดมันจะมีสัมมาวิมุตถเอาสิมันจะหลุดมันจะหลุดพ้นแบบผิดผิดหรือแบบถูกถูกมันจะเป็ น, นอย่างมันยัง มองเห็นมาท น, นเป็นอย่างนี้จริงเราถูกราดลดด้วยยาพิษอันนี้มาอย่างยาวนานและพิษอันนี้มันยังกระจับมันขับออกไม่ได้เพราะเรายังไม่ทําจิตในการขับพิษเลยนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนกระจายหนาเหมือนกระราดยาพิษไปทั่วโลกไปแล้วถ้าชมพูทวิตวิวก็โลกใบนี้ในโลกมนุษย์ทั้งหมดแล้วนั่นเป็นมลทินมากพอพอพรหมบอกว่านี่ไง สามบดีพรมก็บอกพุทธเจ้าใช่บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายในนี้คือสามารถได้รับธรรมโอสดพอดื่มธรรมโอสดเข้าไปนี่จะขับพิษออกเลยท่า น, น, อ, อ, านอ้องยังงั้นอัตมาใช้สอบเองนั่ไม่ผิดหรอกเพราะอัตมาจะต้องดูอศาจารย์ษาท่านพู ด, ด้วยก่อนตรงไหนยังไงยังไงเมเสร็จแล้วว่าก็ตามท่านหรือดีกาตาทั้งหลายแต่บางทีอัตมาก็ หาง ม, มอะไรที่มันจะเข้าถึงเข้าถึงคำตอบแล้วเป็นยัางนันจริงๆเป็นยาพิษแล้วถูกราดด้วยยาพิษแล้วดื่มยาพิษไปเยอะใช่ไหมทำมังคุดยาเป็นธรรมโอสถไหมต้องดื่มเข้าไปใช่ไหมแล้วดื่มบ่อยไหมเนี่ยตรงเนี้ยการรักษาต้องรักษาต่อเนื่องมันต้องรักษาต่อเนื่องศีลสมาธิปัญญาปเป็นตัวหลักเนี้ยนะมันต้องดื่มบ่อยๆดื่มบ่อยๆดื่มบ่อยๆก็พิษมันเต็มตัวแล้ว จะดื่มเพื่อทำนิดไม่พอแล้วเนะีายไหวไหมมันก็มันก็ดูสางๆนิดๆพอดีนะโหไปฟังทานคนนี้โห้ดีว่าบอกว่าดียังไงก็ดีกลายเป็นนะอย่างนั้นจริงไหมคือปริมาณยาที่ดื่มไม่พอไม่พอธรรมโอสถที่ดื่มไม่น้องเลยั้นท่านดื่ม ไ, มไหมเคยเคยเจอประเภทดื่มผิดสูตรไหมล่ะ ฉะนั้นตรงนี้นี่แหละถึงบอกว่าจงเปิดประตูนั่นก็แปลว่าอะปาปุเรตังเปิดคำว่าเปิดเนี่ยจงเปิดประตูอ ม, มะตะนคร น, นั้นเพราะว่าประตูที่จะเข้าสู่นครรือพระนิพพานเนี่ยถูกปิดมาอย่างยาวนานแล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเห็นไงทานก็ดีประตูก็ดีเนี่ย ใช่ไหมไม่มีคนเปิดก็คือไม่มีคนบอกทางอ่ะก็เหมือนกับปิดมีนครอยู่แห่งหนึ่งเนะี่ยนครอยู่แห่งนี้นันนจะมีคนผู้ค้นพบเมื่อเข้าไปสู่นครนี้แล้วแปลว่าสงบเย็นหรือดับกิเลสเป็นต้นได้แล้วก็ขันก็หมดเงินแต่ประตูอันเนี้ยนันานาจะมีผู้รู้ทั้งหลายบำเพ็ญบารมีมาเพื่อมาเปิดหรือมาบอกทางาทันทีพอบอกแล้วก็มีการมีอายุ มีการมีอายุแห่งการเปิดอยู่เช่นว่าในปัจจุบันเนี่ยห้าพันปีประมาณอย่างเนี้ยไม่เกินอย่างนี้ยประตูนี้ทางนี้ก็จะปิดจะไม่มีแล้วเพราะคนจะไม่เข้าใจคําสอนจะหายค่อยๆเรือนไปก่อนพราศาสดาก็จะเรือนจากใจของประชาัตว์นะค่อยๆเรือนเรือนนเข้านะครับจําแม้แต่หนึ่งวัจะนะสี่บาทคาถาก็จําไม่ได้คาถาเดียวจำไม่ได้เลย นะข้าก็จะมีมิจฉาคําสอนนี้เป็นมิจฉาทิถีเข้ามาปกคุมแทนหมดเนาะนี่ปิดแล้ววันนั้นเนปิดสนิทเลยประตูมาตราปิดแล้วนี่ก็มืดเลยแต่เนี้ยศสตร์โลกก็อยู่กันไปสิก็เหมือนดีนะลองไปดูบางประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคําสอนพระเจ้าไปถึงไม่มีภาษาสดาอยู่เลยคนเขาเดือดร้อนเงี้ยอะแย่หมดเห็นไหมเดือดร้อนเข้นฆ่ากันในสารภาพก็เขาไม่รู้หรอก ว่านี่เป็นกรรมยังไงให้ผลเป็นทุกข์ยังไงเขารู้ที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันมืดขนาดนั้นนะถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีคําสอนเราจะสะดุง้งต้องศึกษาคําสอนเนี่ยดีๆเนี่ยเราไปอยู่สักปีสองปีโอ้โหบางคนเขาอยู่ได้อะไปอยู่ยังไงเนี่ยเหมือนไปอยู่อินเดียคนเดียวเอาไปอยู่ที่ ไปอยู่อินเดียคนเดียวจะอยู่ยังไงเนี่ยในขณะที่คนไม่รู้ว่าธรรมเต็มไปหมดนี่จะทํำยังไงไหมมีภาษ า, ษาสดาประทับอยู่แต่คนไม่รู้ว่าทําเอาสิคณะที่ไปเป็นคณะคณะนะถามว่าจริงๆเนี่ยไปเคารวบเป็นถูกไหมเคยไปสี่ครั้งนะถูกไหม เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าเออว่าอะไรเกิดเราจะเข้าใจเลยว่าเออเนี่ยเราก็อยากแค่รู้คําสอนนะไม่ใช่ไม่อยากรู้นี่แต่ที่ไปเนี่ยแล้วเราก็ไปแบบข้อมูลแบบแค่นั้นเมื่อนามาเนี่ยไปอยู่ในแวดล้อมของคนมีข้อมูลกันก็จะเราจะถ้าเราไม่ไปเขาเียทำเนี่ยนามาจะไปคนเดียวได้ไหก็ต้องอาศัยเ้าไปแต่ละครั้งก็ต้องอาศัยต้องการเยอพระศาสดาเลยทีก็ยากแสนเก่ง ไปแล้วจะทำยังไงไปแล้วจะอยู่สิ่งแวดล้อมอยังไงไปแล้วจะรักษาพระธรรมวิ่ไหนของพระเจ้าที่ทรงประทานไว้ให้อย่างไรถ้าไปเฉพาะเราคนเดียวเรารักษาไม่ได้จะเสียหายอย่างไรแล้วผู้รู้ไปในต้องอดทนขนาดไหนในระหว่างที่มีทั้งผู้รู้ทั้งผู้ไม่รู้ไปเนี่ยเข <c oughs> าใหญ่ยังแานจะยากโอ้ไม่ง่ายเลยนะ <c oughs> ว่าจะได้บุญแต่ละทีเนี่ยชคเลือดกลับมาได้ทุกที พยายามแล้วพยายามอีกก็ผิดที่ยุ่งได้อย่างเนี้นะตรงเนี่ยเปิดประตูอมตะยองเปิดประตูอมตนะคนครนั้นแล้วก็ประตออ่อคําว่าประตูอมตะเนี่ยมันใช้คำว่าอ ม, มตัศาสทวารังประตูอมตะหรือทวารอมตะเช่นทางนี่จะไปสู่อ ม, มตนะนั้นอ ม, มตะสาสทวารังได้แก่อริยมรรคอันประเสริฐเนะ อาริยมรรคเนี่ยเป็นประตูแห่งอมตะนะคือพระนิพพานเนี่ยอริยมรรคเนี่ ย, ย, เ, ยเป็นทางเอกายโนอายังพิเกเวมาโคะใช่ไมที่เวลาฟังก็สวดสติปัฏฐานสูตรนี่ฟังแล้วถึงสะเทือนใจทุกทีมันเป็นเอกายโนอายังพิเกเวเนี่ยฟังปุมเ่อวามีสุตังเอกังสมัยยานฟัง ยังไม่รู้เป็น น, น่ยมามางทีฟังคนอื่นเป็นหด้วยบ้างมาฟังไม่ต้องมากนะฟังเพราะเราคิดฟังแค่ว่าสับสับเดียวเนี่ยพอแล้วแค่นี้เอามาก็วมีบุญอย่างเหลือหลายแล้วเออได้ฟังสักคำสองคาเนี่ยขอเป็นพุทธพจน์เขอเป็นพุทธ ว, วจะนะฟังโอ้โหชื่นใจมากฟังเลยมันเพียงพอในความรู้สึกว่าแค่นี้ก็ เต็มห้องใจในการที่เราได้ได้ไ ด, ดื่มด่ำพระธรรมของพระเจ้าในส่วนของเป็นพระธรรมคําสอนเนี่นะจงปังธรรมซึ่งอาริมัคที่เป็นประตูอมต่านนั่นคือประตูมตาก็คือประตูของท่านิพพานได้ว่าจงปังธรรมที่พระผู้เมียภาคเจ้าผู้ปราศจากมลตินตัดสรู้ แ, แสดงนะสุนันตุธรมมังนะ่ะวิมเรณนาปุกนุปุตทังนะ พรหมราชนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนอื่นเนี่ยสัตว์เราอดนี้จงสดับธรรมเนีคืออริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนี้รธมรรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปราศจากมนฑินเนี่ยเพราะไม่มีมนฑินคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นตามรู้แล้วเฮ้ยพรงมมาบอกว่าอื่นสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมเนียจงฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ตัทรุอริยสัจธรรมทั้งสี่ อุปมาเหมือนบุคคลผู้ยืนอยู่บนภูเขาล้วนด้วยศิลาเซเลยาธาปภัส牟ทินิทิโตบอกว่าเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาอันล้วนมีหินเป็นแท่งทึบเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาแล้วก็เป็นหินเป็นแท่งทึบ ก, ก็คือว่ากลิบในการชังเงื้อคอยยื่นออกไปเป็นต้น เพื่อแสดงแก่พวกอื่นอยู่อย่างนั้นนะย่อมไม่มีคําว่าอุปมาเหมือนแต้ทูประมังนี่นะคือเปรียบเหมือนกับภูเขาคืออุปมาเหมือนกับภูเขาหิ้วหินที่มีความส้องเขตในข้อดังนี้บอกบุรุษผู้มีจักสู่ยืนอยู่บนภูเขายืนมองเห็นประชุมชนในรอบชั้นใดถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเมธาเมธาแปลว่าอะไรนี่ก็ชื่อเมธีนี่นะ พระท่านเจ้านะั้นเป็นผู้มีชื่อเมธะแล้วผู้มีปัญญาดีผู้มีจักสู่รอบครอบกล่าวคือมีสัพพยุตญาณนะพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสําเร็จด้วยธรรมนลยสาเร็จด้วยปัญญาเนะี่ยก็หมายความบอกว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยนีปัญญาปภาษาโหสัพพัญญุตญาณนะเหมือนปราสาท ทำปัญญาดุวปราศาสตร์นั้นนะ่ะมองดู ส, สรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกสามเทอะมองดูเทอะเพราะว่าการการมองดูสัตว์โลกด้วย ส, สรรพยุติยานนั้นจะเห็นกระแสะขันของสัสตว์ที่มากที่มีทุรีมากที่ทุรีน้อยเป็นต้น มีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์กล้าเป็นต้นมีอัธยาศัยเร็วอัธยาศัยประณี่เป็นต้นเนี่ยนะมีอาการดีอาการเร็วเนี่ยนั่นแหละคือสัพพัุตญาณมีลักษณะเป็นปัญญาภาษาโทอย่างนั้นขึ้นสู่ภาษาเนี่ย ม, มาเองนะก็เสมอเหมือนอย่างนั้นแต่ก่อนทีนมาได้ยินคําว่า ป, รราปาัญญาภาษาโทมาอ๋อทาปัญญาดูภาษาอ๋อสัพพยุตญาณไม่ต้องชะงโงกหน้าไปมองเหมือนคนทั่วไป ระดับพุทธยาไม่ต้องเลยใช้ปัญญาที่เป็นดปริศาตร์เลยเที่ยวมองดูกระแสขันขงสัตว์สรุปแล้วขันของเราเนี่ยปัญญาภาษาโทรของพุทธยานี้ตรวจสอบหลายร้อยรอบบอกว่าจะมาฟังทาอีกสองพันกว่าปีว่างเ้นเ น, นะ <c oughs> <c oughs> จะได้ตั้งอัธยาศัยกันได้บ้างไหมตั้งอเไรมาได้หรือยังตอนนี้ได้ใช่ไได้เลยนะ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคาขลาำไปด้วยชาติทุกชราทุกมรณะทุกคาข้ามไปด้วยความโศกความร่ำไรลําพันเป็นต้นเหล่าเนี้ท่านอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายเนี่ยทํานาแปลงใหญ่อยู่โดยรอบเชิงเขานั่ยแหละก็วิ่งต้องเที่้าไปมาปลูกกระท่อมบ้างว่างั้นนะลายหลังอ่ะแนวคันนาในที่นั้นก่อไปตลอดคืนในราตรีนะแล้วก็พึงมีแต่ความมืดอันประดับไปด้วยองค์สีเป็นต้นเหล่านี้มืดเนี่ยคือความมืดเนะี่ย แสงสว่างไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้ยแต่ว่าเมื่อบุรุษนั้นมีจักษุยืนอยู่บนยอดเขามองดูพื้นดินนาเขาไม่ปรากฏใช่ไหมแนวคานนาก็ไม่ปรากฏกระท่อมทั้งหลายก็ไม่ปราก ฏ, นานกากฏบุคคลที่นอนอยู่ในกระท่อมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่เพียงแสงไปในกระท่อมเหล่านั้นฉันใดแต่พระบรมศาสดานขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมนะขึ้นสู่ปราสาทกล่างคือสพยุตยานก็ได้ตรวจดูงมูสัตชั้นนั้นนะ่ะสัตว์ภูมิ ทีเวลาตรวจดูตรวจดูหมู่ประชาศาสตร์ทั้งหลายเราสัตว์ผู้ไม่กระทําคุณงามความดีที่ได้กระทําที่ไม่ได้กระทําคุณความดีไว้แม้นั่งนั่งข้างๆชาวนุ่มบนทนของพระเจ้าสัตว์ที่ไม่เคยบำเพ็ญบารมีในพระเจ้าของก่อนเลยนั่งติดเท้าพระเจ้าอยู่เนี่ยนะก็ไม่ปรากฏในข่ายพยา ไม่ปรากฏเข้าใจอีกคำหนึ่งนะคำบอกว่าสัตว์บุรุษแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกลนะ้อาสัตว์บุรุษแม้อยู่ใกล้ก็ชื่อว่าอยู่ไกลคนเราฟากฟ้า <c oughs> นี่ตรงเนี้ยนะบอกว่า สัตว์ระหลย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะวันอสัตระหแม้ในะอยู่ในที่นั้นก็ไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่ยิงไปในเวลากลางคืนอย่งนั้นเหมือนอย่างนั้นลูกศรเนนะี่ยยิงไปเวลากลางคืนเห็นที่เห็นทางไม้เห็นตัวลูกศรไหมไม่เห็นเลยนั้นแต่เป็นคนบาปหนานี่ยนะกายโยตจริญวจีโยตุจริตมโนโตุจริตเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนะี่ยปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบเนะี่ย ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเนี่ยไม่เห็นธรรมของพระรยาเจ้าเนี่ยไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระรยาเจ้าแล้วปฏิบัติบิดผิดไม่ปฏิบัติชอบเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นเกาะชานุมนทนของพระเจ้าอยู่ก็ชีอว่าไม่เข้าใจข่ายสิ่งจบท์จบเลยโยธรรมมังบสติโสมังบสติวัคคะลิเอยเธอไม่ได้เห oh ็นต่ถา oh มคแต่แล้ oh วผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา่ะ ที่กอดชายวรเดินรอบหน้ารอมหลังไม่เห็นพุทธเจ้าแต่แล้วงั้นนอนอยู่ที่กระท่อมนั้นก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่แสงไปแม้แต่ท า, าคดขึ้นสู่ปราสาทคือทําตรวจดูหมู่สัตว์เราสัตว์ผู้ไม่ได้กระทําความดีไว้ในพุทธเจ้าองก่อนเป็นต้นนั้นแหะแม้นั่งนัข้างพระชานุเบื้องขวาในวิหารเดียวกันก็ไม่ปรากฏ แก่พุทธจักรสูตรได้ย่อมเป็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในเวลากลางคือแต่เราเวนยศัสตร์พูดทำคุณความดีไว้แม้อยู่ในที่ไกลก็ปรากฏแก่พุทธจักสู่นั้นเวนยชนเหล่านั้นเป็นดุดไฟและเป็นดุดภูเขาหิมะวันโอ้าศาสตร์บุรุษนี่ปรากฏในที่ไกลเนาะเหมือนภูเขาหิมะวันนไกลขนาดไหนก็มองเห็นเลยภูเขาเนี่ยมองเห็นเหมือนใกล้ๆเลยเนี่ยแต่เดินหกไกลมาก นั่นแหละใครเป็นบัณฑิตทั้งหลายวิ่งใกล้พุทธญาณมากใกล้ปัญญาญาณของพระเจ้ามากเห็นไหมการครบการครบบัณฑิตมีพักคุณมากจริงๆนาะมากไหมเห็นไหมการฟังพระสัทธรรมก็มีบุญมากการอยู่ใกล้ท่านก็มีบุญมากเนี่ยเออย้อนไปี่อยู่ในประเทศอันสมควรก็มีบุญปุเพกะตะปุญญาตาก็เป็นเรื่องดีๆอัตถสัมาวันนี้ที่ตั้งไว้ถูก เป็นปัจจัยแก่ปุเพกตปุญญตาปุเพกตปุญญตาเป็นปัจจัยแก่ปฏิรูปธีสวะศาสการอยู่ในถิ่นที่สมควรได้โคบพระพุทธเจ้าเมื่อคอบพระพุทธเจ้าได้ฟังประศัดธรรมเนะื้อเมื่อฟังประศัดธรรมยังเกิดมีศรัทธารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมีศรัทธาแล้ ว, ตวแตนี้เอาอะไรแต่นี้ปัญญาในการที่จะน้อมเนืเอศรัทธานี่เป็นปัจจัยแก่การข้ามก า, า, าโมคาพวคะที่โขคะอวิโขคาเป็นต้นได้เนี่ยต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนะ คนที่ศรัทธาพระเจ้าอย่างพระรัตป่าไรเห็นไหมโอ้โหพอท่านมีศรัทธาเนี่ยท่านก็น้อมออกอ่ะเนี่ยแล้วอะไรขวางท่านได้ไหมเนี่ยขวางไม่ได้หรอกนี่เพราะมีศรัทธาโดยแท้ใช่ไหมโลกอัญชลานําเข้าไปใกล้ย่อมไม่อย่างยืนเป็นตัวเหล่านี้โลกเนี่ยต้านทานไม่ได้จริงๆนะไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนะเพราะงั้นนะหรือฉลามันก็ลุมล้อมมรณะก็ลุมล้อมต่างๆเหล่านี้ยท่านเห็นอย่างนี้ไงท่านจึงรีบออกบวช ท่านจึงรีบแสวงามตตใช่ไหะท่านเห็นโทษของสังสารวัตรในทรมุทเทสที่ท่านแสดงแกพระเจ้าโคและพยาเนี่ยนั่นแหละพระาตาปาแล้วที่ไปแสดงก็าฟังอยู่พระยจ้าแล้วท่านเห็นโทษเห็นภัยตรงนั้นทำไมถึงออกบวชแต่นุ่มแต่เล็กเพราะท่านเห็นโทษพระยาใช่ไหมเห็นโทษถ้าออกบวชทำไมออกบวชแต่อายุน้อยเห็นโทษใช่ไหม เห็นโทษของการเกิดของการแก่ของการเจ็บของการตายพ่อขอล้องอันนั้นขอ้อข้อสุดท้ายก็นั้นการเชื่อเชือนะอันเชสนังก็ได้แกการรัตนานเนี่ยโดยพุทธจักสูตรพุทธจักสูตรในพุทธจักคุณานี่ได้แก่อินเดียปโรปริยติยานอาศยานุสยายานเป็นต้นนะพุทธจักสูตรเป็นชื่อของวิญญาณทั้งสอง จมันตัจากสุขนี่คือสัพพัญญุเตยียท ร, รมจากสุก็คือนั่นแหละอานาคาสกาตาคามีมากานาคามากแล้วก็อาจม ก, กิเลสทุรีในตาน้อยเนี่ยอัปรชักไขเขเนี่ยเป็นต้นเนี่ยชนเราได้มีทุรีคือกิเลสมีราคาโทสะโมหะนิจจากสุขคือในปัญญาน้อยโดยในดังกลา่าวชนเหล่านั้นชื่อว่าอปรชักขาดผู้มีกิเลสทุรีในดวงตาน้อย ชนเราได้มีกิเลสคือทุรีในดวงตา ม, มากชนเหล่านั้นเรียกว่ามหาระชักขเรามีกิเลสในดวงตาน้อยหรือมากถ้ามากเขาเรียกว่ามหาระชักขะก็กิเลสมากดีไหมไม่ดีกิเลสน้อยดีเนี่ยแต่ปัญญามากดีไหมปัญญาน้อยไม่ดีเนี่ยดูอ ด, ด, ดูแปลกจริงศรัทธาน้อยก็ไม่ดีศรัทธามากเลดี มันคนกลัวจะศรัทธามากเลยมาพูดมาตลอดแต่ไหนจะไรนะไม่ต้องกลัวหรอกเธอทาคุณน้อยนิดไม่ใช่ศรัทธามักสศรัตธารัยุคนี้ศรัทธาัไม่เคยเจอใครศรัทธามา้ถ้าที่ผ่านมานี่เนี่ยเขาที่ว่าศรัทธาศรัทธานุ่มไม่ไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอคนศรัทธามากสักทีมีแต่ศรัทธานู้นแนั้นเพิ่มไปแต่เป็นศรัทธาอ่าไปเพิ่มม่ะ ผู้มีกุศลเคือทุเรีในดวงตามากชนเหล่าใดมีอินทรีย์นะสทาวิริยาสติสมาธิปัญญากล้าชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอินทรีย์กล้าเนี่นะมีอินรียกล้าเขาเรียกว่าเป็นติกขินทริยะติกขินทเรียมีสัตถินทรีย์เป็นต้นหนกกาก้าชนเหล่าใดมีอินทรีย์เหล่านั้นน้อยชนเหล่านั้นชื่อว่ามุทินทริยะมในแปลว่าอ่อนโมทุก มีอินทรีย์อ่อนศรัทธาอ่อนเพราะศรัทธา on, อ่อนเพราะว่าเนะี้ยวิริยะอ่อนสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนแต่สุดท้ายคือปัญญา <laughs> อ่อนหมอไม่ชอบคำนี้เลยก็ <laughs> เรียกไอ้คำว่ามุทิมธิยะเนี่ยเวลาใครเรียกก็จมา อ, มอย่าเรียกเนะ <laughs> ขาเรียกแม้เป็นคนมี on, นอินทรีย์อ่อนนี่อาจมาจะไม่ค่อยสบายใจคำนี้ยเพราะอามารู้ว่าอินทรีย์ไปไอตัวแรกอ่อนก็เพราะว่าไอตัวสุดท้ายอ่อนนี่ on, ชาบไม่เอาปัญญาอ่อนศรัทธาก็อ่อนวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอ่อนนี่นะยุ่งเลยนี่ก็เรียกว่ามุทินทรียชนเหล่าใดมีอาการดีอาการดีเป็นไงศรัทธาดีวิริยะก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีชนเหล่านั้นเรียกว่า มีอาการดีมีอาการดีี่อาการไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเออเราเดิมากเราจะไปดูคนไข้กันใช่ไหมไอ้คนคนนี้อาการดีเนี่ยค่อนข้างช่วอาการดีอาการดีในที่นั้นเป็นชื่อของสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีเขาเรียกอาการดีอาการไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็หมายความว่าสตาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นไม่ดีหมายก็ว่าอาการไม่ดี สวาการะเนะี่ยก็มีอาการดีสวาการะชนเหล่าใดกําหนดเหตุที่เขาแสดงแล้วสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างโดยง่ายชนเหล่านั้นชื่อว่าสุวิญญาปะยะก็คือว่าพึงสอนให้รู้เด้งโดยง่ายพวกะคนบางคนนี่สอนปุ๊บนรู้เลยนะเออเป็นสุวิญญานเนี่ยสูสุวิญญาปะยะ สูวิญญาภิญชนเหล่าใดนะเห็นประโลกและโทษด้วยความเป็นภัยเห็นประโลกและโทษด้วยความเป็นภัยเห็นโลกนี้และโลกหน้าเป็นภัยมากประกอบประดับด้วยชาติไปยาลาภัยเป็นต้นเหล่านี้นะชนเหล่านั้นชื่อว่าประประโลกวัดชุกพยาทศาวีก็แปบลบผู้มีปกติเห็นโทษในประโลกว่าเป็นภัยก็คือ ในข้อนี้พระบาลีท่านก็ บ, บอกว่าผู้มีศรัทธาชื่อว่าอปัปปะอัปปราชัขะนีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่ามหามหารชาชขะมีกิเลสธุทีในดวงตามากผู้ปราศจากความเพียรเป็นต้นก็อปราชัขะเนาะผู้เกียจค้านก็ชื่อว่ามหารชาชขะผู้มีสติตั้งมั่นก็ชื่อว่าอปะอปราชัขะ ผู้มีสติหลงลืมก็คือมหาราชข่เป็นต้นกันไลายไปตามลำดับเนี่ยถ้ามีจิตตั้งมั่นก็ก็เรียกว่าอัปปราชข่าเนีผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นก็มหาราชข่เป็นต้นผู้มีปัญญาล่ะอัปปราชข่าผู้มีปัญญาสมทั้งหลายก็มหาราชข่าผู้มีเกลือคือติวตีในดวงตามากบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่าติขินทริยะมีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีปัญญามีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัย งั้นบุคคลผู้มีผู้มีปัญญาสามก็เชื่อว่าไม่เห็นโทษในปารโรคว่าเป็นไปให้สังเกตดูนะว่าโลกคือโลโกทั้งหลายคือโลกเนี่อาโลกนี้นับยังไงดีคําว่าเห็นมีปกติเห็นโทษในปารโรคว่าเป็นภัยหรือไม่เห็นโทษและปรโรกว่าเป็นภัยค่ะโลโกนี้ที่นเป็นชื่อของขันท์ทัโลกนะรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาณนี่คือโลกธาตุก็เป็นโลกอันยตนะก็เป็นโลก สัมปติภาวะก็เป็นโลกวิปติภาวะก็เป็นโลกโลกหนึ่งก็ได้แก่อะไรสัตว์นี่อยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยสเพสตาอาหารสถิติกาไปดูในไหนขุตระปาฐานนู่นเน่ยในนีไม่มีแล้วก็โลกสองก็อะไรเดียโลกกนาเนี่ยนะโลกสามก็เวทนาสามโลกสี่ก็คืออาหารสี่นีแหละโลกห้าก็คือปาทานกันห้าโลกเวทนาสัญญาจังการมียาณโลกหก็คือจักขุโสตะคานาชิวหากายามโนเนี่ยนะ โลกเจ็ดก็คือสัตวาะนั่นแหละอัววิญญาณในทิฏฐินะโลกแปดก็คือโลกธรรมแปดโลกเก้าคือสัตวะเก้า 9, โลกสิบก็คืออายาตนะสิบโลกสิบสองก็คืออายตะนาสิบสองโลกสิบแปดก็คือท่าสิบแปนี่เป็นโทษเข็นแบบนี้ยังมีโทษไหมโอ้โหนั่งแกะก็รูยุ่งเลยตรงนี้นเนี่ยก็ไล่อย่างเงี้ยถ้าถ้าศึกษานี้เริ่มเริ่มเห็นโทษไหมนั่นเห็นโทษ มีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภยัยนั้นถาปัญญาสามเนี่ยเขาจะไม่เห็นโทษไม่เห็นขันใช่ไหมเอาไม่เห็นเลยนะว่าโอ้เป็นโทษเป็นภยยนะัยอะไรนี่ยไม่เห็นว่าขันถนะ้า โ, นาโลกเนี่ยเนี่ยธาตุโลกอายตนะโลกแล้วก็สัมปติภาวะวิปติภาวะโลกสัตว์ทั้งพวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่เป็นโลกหนึ่งนะ ไม่ว่าในพบในภูมิไหนมีอาหารละเป็นอาหารเป็นปัจจัยหมดแล้ยในหนึ่งเดียวเนี่ยมีหนึ่งเดียวก็นั่นเนี่ยที่เป็นโทษนามลูกก็เป็นโทษเวทนาสามก็เป็นโทษกาวลินกาลาหานนะผัสสาหารมโนสังเจตนาหารวิญญาณอาหารก็เป็นโทษอุปาทานขันห้าก็เป็นโทษอายตนะภายในหกก็เป็นโทษใช่ไหมวิญญาณอาทิติเจ็ดก็เป็นโทษโลกธรรมแปดนะ โลกธรําแปลนี่เป็นไปกับโลกการอุบัติเกิดขึ้นของขานนี่เป็นเป็นการได้นะถ้าไปเกิดในใ บ, บหูมได้ด้วยเสียเขาเทียบกันไปเห็น ไ, ไหมถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ในโกเนี่ยถ้าไปเกิดมามาเป็นสัตว์ยกระชานเนี่ยเขากเขาได้อยู่หน่อยเขาจะได้ดีมัย้ยนาะงั้นกิเลสทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าโทษหมดหละ โทษเจริญทั้งหมดชื่อวโทษไหมอภิสังขารทั้งหมดชื่อวโทษไหมเจตนาทั้งหลายเป็นโทษกรรมที่นําสัตว์ไปสู่พบน้อยพบใหญ่เป็นโทษไหมความทับทัว่าโลกนี้แหละในโทษนี้แหละเป็นภัยทั้งหมดปรากฏเหมือนเพชรขา้าดเนื้อดาบเห็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเห็นนะใช่เนี่ยเพชรข้าดเป็นเนื้อดาบอยู่ เื้อด่างแล้วมันก็ฟันฉับฉั บ, บตลอดเวลาก็ไม่เห็น น, นั่นเองะตอนนี้ตอนเด็กๆตายไปยังตา ย, ยแต่ความงามทั้งนั้นหายไปหมดเลยเข้าไหมความฉลาดความรอบรู้ในพระธรรมทั้งหลายก็ดีเคยมีก็หายเพี่ยงแต่ไหมขอก่อนเก่งมากอะอย่างนี้ความเก่งก็หา ย, ยหมดฤทธิ์หมดเดชทั้นความรู้เห็นทั่วและแทงตลอดอินทรีย์ทั้งห้า อาการ50อินทรียปรโรปริยาใของพระเจ้าเนาะเมื่อในกออุบลเนี่ยในดงอุบลแม้ได้บทดอกนี้ก็เหมือนกันเขาบอกจมอยู่ในน้ําที่มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เนาะดอก บ, บัวที่จมอยู่ในน้ํามันที่น้ําหล่อเลี้ยงก็ไว้เนี่ยตั้งขึ้นเหนือพื้นน้ําพ้นน้ำเ น, เนี่ยนะดอก บ, บัวที่โผล่ขึ้นขึ้นพ้นจากน้ําเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ย่อมรอคอยสัมผัสรัศมีแห่งพระอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้แต่ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอกันน้ําซึ่งจะบานในวันพรุ่งนี้ดอกบัวที่ยังไม่พ้นจมอยู่ในน้ําก็หล่อน้ําหล่อเลี้ยงไว้จะบานในอีกสองสามวันเนี้แม้ดอกบัวที่เกิดในน้ําเป็นต้นอื่นๆที่ยังไม่พ้นน้ําก็มีจักไม่บานจักเป็นพักษาอาหารของเต่าปลาเท่านั้นก็มีเนาะ ดอกบัวเหล่านั้นไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีนะแต่ท่านนำมาแสดงไว้ให้เข้าใจความหมายเป็นสี่จำพวกอยู่ในชั้นอธักฐานก็คืออุคติตัญยูวิปปจิตัญญูเนยยะปะทะประม่าเหมือนดอกบัวสี่ชนิดเหล่านั้นนั่นเองในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดตัดสู้ทาพร้อมกับเวลาที่ทรงยกหัวข้อคัดทำขึ้นแสดงบุคคลนั้นเรียกว่าอุคติตัยูเอาใครเดียวนี้ ถ้าเป็นเราก็ดีเนาะเอาฟังปั๊บก็เข้าใจเลยตรัสรู้ได้เลยนี่โอ้โหบุคคลใดตรัสรู้ทำในเมื่อทรงจะแมกอัฏฐธรรมและอัฏฐธรรมะที่กล่าวโดย ย, รรย่อพิสตานียบุคคลนั้นเรียกวิบจิตันยุบุคคลใดก่าวอุเทศหัวข้อเราก็จะสอบถามใส่ใจโดยแยกคายว่ารรมิเทศว่าไปต่างๆนะเราก็สอบถามนห้เสพแต่นี้ครบมาเข้าไปนั่งใกล้กัญยาณมิตรเรียนทม เรียนแล้วเรียนเล่าเนี่ยนะในที่จริจริงๆก็คือว่าสามารถตรัดสู้ทำตามลําดับบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าเนยยะถล้วก็มาพิจารณาดูี่เราจะได้กลุ่มไหนเนาะเอาบุคคลใดระดับมากก็ดีกล่าวมากก็ดีทรงจําได้มากก็ดีนะดีหมดเลยนะให้ผู้อื่นสอนมากก็ดียังตัดสู้ทำในชาตินั้นไม่ได้บุคคลนั้นเรียกว่าปัญหาปรมา แต่นี้ได้เป็นวาสนาภากิยญาเนี่ยดีั้ยกาวมากสอนมากให้ผู้อื่นสอนมากยังตัดสรู้ในชาตินั้นไม่ได้มายังอยู่จพวกนี้เลยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละพระบรมศาสดาก็ตรวจดูหมื่นโลกธาตุ แสนโลกธาตุทั้งหลายเลยนะซึ่งเหมือนดอกอุบลเป็นต้นเนะี่ยทรงเห็นว่าอุกติตันยูเหมือนดอกบัวที่บานในวันนี้ว็บปิกิตันยูเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันพรุ่งนี้ในย่าเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันที่สามปัททะพระมะเหมือนดอกบัวที่ได้ละที่จะเป็นปักษาฐารของเต่าและป่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงเห็นได้โดยเห็นโดยอาการอย่างนั้นทั้งพวงว่าสัตว์มีประมาณเท่านี้ มีกิเลสคือทุดีในดวงตาน้อยสัตว์มีประมาณเท่านี้มีกิเลสคือตื้อดีดวงตา ม, มากสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีประมาณเท่านี้เนี่ยประมาณก็อุคติตันโยมีเท่านี้วิปจิตันโยมีเท่านี้นัยยะเท่านี้ปัทภป ร, าาปรมาเท่านี้กลุ่มนี้คือราคาจริตกลุ่มนี้คือโทสาจริตเป็นต้นก็ไปแยกแยกในลำดับบุคคลสนั้นปรัรรมเศชาของพุทธเจ้านั้นย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลสามยมพวกแรกนี้แน่จะภาพนี้พบนี้ สำหรับปาระ h a p a r a นั้นย่อมเป็นวาสนาคืออบรมบ่มบา ร, รมีไปแล้วเพื่อสำเร็จประโยชน์ในอนาคตข้างหนา้าลำดับนั้นพระผู้อนุภาพเจ้าก็ทรงทราบประการแสดงธรรมว่าจะนำประโยชน์แก่สัตว์สี่แพวกเหล่านั้นจึงมีพระประสงค์จักแสดงธรรมและก็แบ่งสัตว์ในภพสามคือการมาภพและรูปภพอรูปภพเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่เป็นพัาาพพระกับพัพพระ พระพาคืแปลว่าบุคคลที่จะตัดสู้ได้ใช่ไหมก็หมายความว่าเราสัตว์ผู้เป็นาพภะพาเป็นที่ไหนคือสัตว์ที่ประกอบไปด้วยกรร ม, มาวนเครื่องกั้นคือกรรมวิปากาวนเครื่องกั้นคุวิบาคิเลสาวรเครื่องกั้นคือกิเลสนุ่มเหล่าคนเหล่านี้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทามีปัญญาสามไม่ควรจะอย่างรู้นิญามนิกระทำทำที่แน่นอนหรือไม่สามารถจะอย่างรู้ไม่สามารถจะอย่างลงสู่สมมต่นิยาม ทำที่เป็นธรรมันชอบได้ในกุศรธรรมทั้งหลายนี้คือเหล่าสัตว์ที่เป็นอาภาพคะเหล่าสัตว์ผู้เป็นภพภะบุคคลเหล่านั้นเป็นชไหนคือสัตว์ผู้ประกอบไปด้วยกรรมมาไม่ประกอบไปด้วยกรร ม, มวรไม่ประกอบไปด้วยวิปากาวรไม่ประกอบด้วยวิกิเรสาวรกรร ม, มวรนเครื่องกั้นคืออนันตริยกรรมเป็นต้นวิปากาวนเครื่องกัน้นคืวิบากพวกทวิเหตุเป็นต้น กิเลสสาวรเครื่องกันก้นคือกิกกกเลสพวกนิวรกุ้มลุมมากเป็นต้นเอาเราก็ไปดูทีกุ้มลุมมากไหมกรรมวรเนี่ยถ้าเป็นพระเลยมีอนาวิติสมัยก็หมายความว่านั่นแหละก้าวล่วงกิลเลสเกี่ยวเรื่อต้องอับัตแล้วไม่ชําระส า, สารก็เป็นเครื่องกันน้นนะพระนี่ไม่ได้แต่อย่างคารวะก็ขาดและสมาทานไม่พ้ สมาทานไบ่อยดพลาวาเีนนะสมาทานไบอ่อย่าให้ย่าให้ย่าให้สิกขาข้อแรกคือสีและสิกขาเนี่ยขาดเกินห้านาทีนี่ตั้งสติสมาทานหนึ่งถ้าขาดร่วงแล้วเมื่อจะ ร, รีบเลยสมาทานตั้งอัธยาศัยมันชะลอยว่าในดีตไม่ได้ตั้งโดยนี้ว่าอยขาดจะยาวนานเลนีไม่ได้ต่อวิธทีบางครั้งต่อไม่ติดเลย วิปากาวอก็วิบากเป็นเครื่องกันพวาวิบากเป็นเครื่องกันกับพวกอะไรดีล่ะพวกพวกมีวิบากกิเลสเอมโลกมีพวกวิบากพวกขันทั้งหลายกิเลสสาวอนเนี่ยเครื่องกันแบบนี้น่ากลัวหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมวิบากหรือกิเลสเครื่องกันเห่านี้ถ้าเครื่องกันคือกรรมเครื่องกันคือวิบากเครื่องกันคือกิเลสในล้วนเป็นเหตุที่น่ากลัวทั้งนั้นนั่นจัดพุทเป็นปัจจา่านั้นในเมื่อบุคคลสองย่แบ่งบุคคลสองย่พวกแล้วเนี่ยภพเทญยาก็ ละอาภิพาททั้งหมด